บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านมานพที่มากราบทูลถามปัญหาท่านต่อไปนั้นคืออุปศีลวะมานพท่านเริ่มต้นด้กล่าวเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าว่าพระปุสสะ ก, กะความหมายของคำว่าสักกะ ที่นำมาใช้เรียกพระพุทธเจ้าแล้วถือว่าเป็นคุณบทคือพระนามอีกบทหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ให้ความหมายไว้สามนยะด้วยกันนิยะแรกรู้เจ้าเป็นราชโอรสของสักกิวงศ์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระสักกะประการที่สองนั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มั่งคัง่งคือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันร่เสริฐเประการด้วยกันที่เรียกว่าอริยทรัพย์ประการที่3คือเป็นผู้องอาจกล้าหาันในขั้นครามขามเกรงในสิ่งต่างๆประเด็นที่ควรศึกษาพินิจ พ, พิจารณาจึงมีอยู่2ประเด็นคือประเด็นที่เป็นผู้มั่งคัง่งที่แปลว่ามีอริยทรัพย์ ในระพุทธศาสนานั้นได้สรุปทรัพย์ไว้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือโลกยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์คำว่าทรัพย์แปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้วันนี้จะพบว่าคนจะปลื้มใจด้วยทรัพย์ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของบุคคลเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะ ช่นชมยินดีอยู่ในโลกกียรทรัพย์แต่กัสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของอะไรที่ก็ตามที่ใจของบุคคลไปกําหนดหมายไปยอมรับคุณค่าไปให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นเมื่อตนได้เกี่ยวข้องได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดความปราบรื้มใจ แต่นั้นสิ่งเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ระดับนั้นแต่บรรดาลโลกีทรัพย์ทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงการสแสวงหาการได้มาการครอบครองและการกำหนดรู้ถึงความจริงที่แท้จริงของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นโดยให้รำลึกถึงอยู่เสมอว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปทราบเหล่านั้นได้ให้ความปราบปลื่มใจแก่บุคคลแต่ว่าในขณะเดียวกันส่วนลึกของจิตใจก็ได้ก็ได้ให้ความห่วงใจความพิจกกังวลความบาดระแวงขึ้นมาเป็นนั้นมากถ้าหากว่าบุคคลเกี่ยวข้องไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอันตรพิษ กเหมือนกับงูพิษที่พร้อมจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองจึงทรงสอนให้บุคคลมีความระมัดระวังตั้งแต่จิตเจตนาปรารถนาที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองก็ทรงสอนไม่ให้ละโมบโลภมากเกินไป นในขณะเดียวกันยามที่จะสแสวงหาทรัพย์กใ็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทุกขั้นตอนมองให้เห็นทางเหตุและผลของสิ่งเหล่านั้นในการถือครองอาราคาป้องกันก็เน้นไปที่ความไม่ประมาทการระมัดระวังเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่สูญหายไป ก็ให้ทำใจยอมรับถึงธรรมดาของจริงเดี๋นั้นและในช่วงของการใช้สอยก็สอนให้ใช้สอยตามกำ ล, ลังความสามารถที่ตนจะซื้อหาจับจ่ายได้นั่นจะเห็นได้ว่าโดยสภาพที่รุนแรงรัพประเภทนี้ถือว่ามีลักษณะคล้ายคลอาสรพิษแต่ก็ทรงสอนให้เกี่ยวข้องโดยความระมัดระวัง เหมือนคนเกี่ยวข้องกับอสัพิษด้วยความระมัดระวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากอสัพิษเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันรอถึงช่วงหนึ่งกระทรวงเน้นให้บุคคลพยายามหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเหล่านั้นจากสมบัติของโลกเหล่านั้นโดยการสร้างเป็นปัจจัยให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาภายในจิตใจของตน คือทำสิ่งที่นำไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่นำไปได้นั้นก็คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโลกีย์ทรัพย์ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะได้ความรื่มใจความชื่นใจที่ตนอาศัยทรัพย์สร้างให้บังเกิดขึ้นใน c าร p ์ที่สองพระพุทธเจ้าโดยอุดมจริงๆทรงสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นอริยะหรือทรัพย์อันประเสริฐ หรือทราบที่ทำคนให้เป็นผู้ประเสริฐพอมาถึงชั้นนี้แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับโลเกียรทรับนั่นเองคือคนเราจะมาจากอะไรไม่สำคัญแต่พอกลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยกันมาคนทั้งหลายก็ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลเต่านั้นเพียงแต่ว่าจิตใจของบุคคลอาจจะไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควรเท่านั้นเอง พอมาถึงระดับของอริยทรัพย์ก็กลายเป็นทรัพย์ที่สาธารณะทั่วไปกับบุคคลผู้ฝ่ายดีทั้งหลายและทรงแสดงไว้เป็นเจ็ดประการด้วยกันข้อนี้จะพบว่าทรัพย์ระดับแรกนั้นเป็นลักษณะของการบำเร็จใจคนบำเร็กายบำเร็จใจคน ชาตระดับที่สองเป็นระดับบำบัดบรรดากิเลสความชั่วอสวะทั้งหลายให้เจือจางเบาบางออกไปจากจิตใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสหรือตันหานันเปรียบเหมือนไฟถ้ามุ่งจะบำเรอไฟคือให้เชื้อไฟอยู่ด้วยไปปอกาสที่ไฟจะดับนั้นมีไม่ได้นอกจากแก่ไม้เพิ่มขึ้นจึงต้องมีคำสอนระดับที่บำบัด ลดความรุนแรงของไฟคือกิเลส ท, ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตนในวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของลกทรงแสดงเรื่องอริยรัพย์เอาไว้เป็นเจประการและพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอริยรัพย์ทั้งเจประการนั้นประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อมัน่นที่ยังลงอย่างมั่นคง ในคุณของพระผู้มีพระภาคเจา้าตามบทที่สวดสรรเสริญกันและในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นในตนเองพาสามารถประพฤติปฏิบัติในภารกิจนั้นๆและเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้สัมผัสผลในด้านธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เต็มตามกำลังความสามารถแห่งตน ศรัทธาเมื่อเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นศรัทธาที่ไม่ถูกยุบคลอนหวันว่นไหวไม้จะด้วยการขู่คุกคามไม้จะด้วยการล่อ ด, ด้วยทรัพย์สมบัติก็ตามปกติแล้วสิ่งที่สร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลนั้นก็จะออกมาในรูปของการตอบสนองกิเลสที่มีอยู่ภายในใจกคน ดังนั้นจิตจะหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความรักความชังและความหลงเป็นประการสาคัญแต่เมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยศรัทธาที่ยังลงมั่นคงในคุณของพู้ตเจ้าในตนเองจนปฏิบัติไปสัมผัสคุณของรู้แต่เจ้าได้ในชั้นที่ทำใจให้มั่นคงได้แล้วก็จะไม่ถูกโยกรรอนหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความรักหรือความชัง อาการที่สองนั้นคือศีลระทนั่งทรัพย์คือศีลที่เกิดขึ้นจากกุศลและเจตนามองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นความดีของการรักษาศีลแล้วก็สมาทานศีลรับศีลหรือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เจ้การงดเว้นไม่ละเมิดนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากการบังคับหรือขอร้อง จะเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของบุคคลนั่นเองว่าการละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นทางแห่งเวนีนแห่งภัยแห่งอันตรายในชั้นต่างๆยนถึงทุกข์ในอบายก็พยายามตั้งใจเราเพื่อปฏิบัติสรวมรมร่วงให้กายวาจาใจของตนอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของศีลมีศีลหาประการเป็นตน้น และพยายามพัฒนาศีลของตนให้มีความประนีตขึ้นไปโดยดําดับจนกลายเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุกไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาศีลในหน้าตันหามานะและสามารถที่จะดึงจิตของตนเข้าหาความสงบได้โดยดํดางดับทรัพย์คือศีลนี้ก็จะประนีตขึ้นไปด้ว่อยๆจนกลายเป็นสมบูรณ์ด้วยศีลหรือมีศีลสมบูรณ์ ประการที่สามคือฮิริทนังซับคือฮิริได้แก่มโนธรรมสำนุกสานึกที่เกิดขึ้นโดยอิงอาศัยปัจจัยภายในคือพื้นฐานทางวารมีธรรมของตนเป็นฐานใหญ่และฐานในปัจจุบันคือการที่บุคคลเหล่า น, นั้นเกิดมาในสกุลที่เรียกว่าเป็นสมาทิติ ได้แบบแผนตัวอย่างภายในครอบครัวของตนและการอบรมชี้แจงแนะนำพร่ำสอนของบุคปลปากรจึงมีความละอายบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรู้สึกละอายต่อ บ, บาปละอายต่อการกระทำความช่วยต่างๆและจะเกิดขึ้นมาจากการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลไม่จะมุ่งตอบสนองปัญหาตัณหา เพราะการศึกษาทางโลกที่เราเรียกว่าศิละปะตามสำนวนศาสนานั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นการศึกษามุ่งสนองตันหาเป็นนั้นมากเสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองการศึกษาในระบบนี้ใช้เป็นศินละปะในการเลี้ยงชีวตได้แต่ถ้าหากว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจ ก็กลายเป็นมีดสองคมที่พร้อมจะเป็นอันตรายแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นหิริจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอิงอาศัยการศึกษาที่มุ่งพัฒนามนุธรรมสำนึกก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ได้การศึกษาในแนวนี้มาก็จะค่อยๆเพิ่มพูนหิริให้บังเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจแต่สายอายุอานามที่เพิ่มขึ้นมีจิตสานึกสูงขึ้น ผ่นการเวลาม า, มากขึ้นเห็นผิดเห็นถูกในชีวิตประจําวันมากขึ้นบุคคลก็จะเพิ่มพูนที่รึคือความละอายต่อบาปให้เกิดขึ้นเรื่องจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกําหนัดกิดเคืองรุ่งหงมัวเมานี่ก็เป็นปัจจัยประการหนึ่งเมื่อบังเกิดขึ้นได้แล้วจะทําหน้าที่บิดกั้นกระแสของกุศล ลักษณะเดียวกับสติข้อนี้ลองสังเกตว่าถ้าจิตใจเรามียิติอยู่ภายในใจเาเกีย่ยวข้องอะไรที่เป็นบัคเป็นอกุศลก็จะรู้สึกระาอายรู้สึกรังเกียจรู้สึกขยะกขยงที่จะประพฤติกระทําเช่นนั้นเหมือนกับบุคคลที่ตกแต่งร่างกายจนสะอาดสวยงามดีแล้วก็รังเกยียจขยะกขยงสิ่งที่ส ก, กรปรกทั้งหลายเช่นั้น อาการที่สี่คืออดตะปะท่านังทรับคืออดตะปะได้แก่ความสะดุ้งกลัวต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปนั้นนอกจากจะอิงอาศัยปจัจจัยต่างๆแล้วยังอิงอาศัยปจัจจัยภายนอกที่บุคคลยอมรับนับถือสถานะเหล่านั้นและเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวสร้างมนุษยธรรมสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ตอนนี้ท่านหลายจะพบว่าการจะกระทำความดีของบุคคลนั้นมีมากเหลือเกินที่เราต้องอิงอาศัยปัจจัยข้างนอกเป็นตัวกระตุน้นนอกจากการแนะนำพร่ำสอนตักเตือนอบรมจากผู้ที่เมตตาวังดีแล้วสายตาของคนอื่นก็เป็นตัวป้องกันการกระทำความช่วได้ สถาบันการศึกษาของตนการแต่งเนื้อแต่งตัวของตนจะยกตัวอย่างมาข้าราชการที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของข้าราชการกับแต่งตัวธรรมดานั้นจิตสํานึกที่จะระมัดระวังแตกต่างกันช<ม>าวนอง<ม>เหนียวกับตํารวจนอกเครื่องแบบกับในเครื่องแบบจิตสํานึกในการเป็นตำรวจจะแตกต่างกันดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่สั ญ, ญลักษณ์ด้วย เช่นว่าพระก็ให้นุ่งผมผ้ากาศาจะถือว่าเป็นตรงใจของพระอระหันต์นอกจากจะเป็นเนื่องขาทางวินัยแล้วประการหนึ่งเป็นการสร้างขีดสํานึกของท่านเหล่านั้นให้รับผิดชอบในสถานะของตนเองแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่สถานะนั้นๆดอนนั้ น, น, นอด ต, ตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่ะปะอาจจะเกิดขึ้นโดยการสํานึกถึง สถาบันการศึกษาของตนวัดว่ารามของตนพระราชบรรที่ตนเคารพนับถือเป็นตนเออาจจะนึกว่าการกระทําชั่วบางอย่างเมื่อทําไปแล้วแม้เราเองก็ติเตียนตนเองได้มองคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าถ้าทําอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราเองก็จะตําหนิตัวเราเองได้ในที่สุดก็ไม่กระทํา าการที่สองอาจจะสำนึกถึงวินยูชนภายนอกอย่างที่โบราณเาบอกว่าอายผีสางเทวดาเขาสำนึกถึงคำติเตียนของวินยูชนทั้งหลายแล้วหกข้ามใจข้องตนเอาไว้แม้กระทําบาปได้หรือที่หยาบๆยาบลงมาอาจจะเกิดหวาดกลัวต่ออาจยาของท่านเมือง เช่นว่าคนไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะมีตำรวจจราจร อ, อยู่นี้แสดงให้เห็นว่าการนม่ฝ่าไฟแดงนั้นเกิดขึ้นจากความกลัวจะถูกจับซึ่งก็เป็นการปิดบะ ป, ปิดกั้นบาปได้ระดับหนึ่งด้ตัวการที่ออ ก, กยวสำคัญในการรักษาอดสปะถนังรัคืออดสปะไว้ได้แก่การกลัวใครในแนรบ ซึงในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านเน้นไว้บ้างคือเรื่องภัยในนรกมนุษย์ปุถุชนนั้นอาจจะเกิดเพื่อแปรสงสัยถึงความมีไม่มีแต่พระอระหันต์ทั้งหลายท่านรู้เห็นด้วยญาณด้วยทิพยจักษุว่ามีท่านจึงได้เน้นในส่วนนี้ไว้มากเพื่อคนสํานึกถึงความรับผิดชอบในลักษณะที่ต่อดนื่งจะได้ระมัดระวังในการกระทำบาป และพร้อมที่จะกระทำความดีประการต่อไปคือสุตะทนังคุณเจ้านั้นเป็นสัพพันญูไม่มีปัญหาในเรื่องความรู้แต่ว่าสุตะทนังทัพย์คือสุตะนั้นเป็นทรัพย์ที่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆจนกลายเป็นผู้สัจจะหรือผู้สูตรขึ้นมาได้ โดยการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของตนให้เกิดประโยชน์การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นการสำรวมระวังเพื่อไม่ให้ความกำหนัดความขัดเกินความรุ่มหลงความมัวหมองบังเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเพิ่มพูนกุศลอย ใ, ใช้การเพ่งพินิจพิจารณา ให้มีจิตใจมั่นคงอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอย่างในกรณีของการฟังธรรมก็ส่งสดแสดงเป็นรูปของความเคลื่อนไหวว่าเมื่อบุคคลมีกุศลเจตนาจะฟังธรรมก็เข้าไปหาท่านผู้รู้แล้วเข้าไปหาแล้วก็นั่งใกล้มานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังแล้กําหนดข้อความแห่งธรรมพิจารณาข้อความแห่งธรรมซึ่งก็เราก็ใช้ประสาทสัมผัสปล า, า, ายเตเป็นเรื่องของความดีในกรณีนี้ ท่งเน้นให้ลงมือประพฤติกระทำอย่างอาจริ ง, จ, รงจังจนบุคคลสามารถทรงจําและท่องได้บ้างใช้จิตใจของตนเพ่งพินิษฐดูธรรมะจนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นทั้งโดยเนื้อหาของธรรมะและทั้งโดยรูปแบบของธรรมะในกรณีของเนื้อหานั้นให้ลองสังเกตว่า แท้ที่จริงแล้วเราก็มีโครงสร้างทางความรู้ในชั้นนี้กันอยู่ตัวอย่างเช่นท่านจะไปได้รสหวานในอาหารชนิดใดก็ตามโดยรูปแบบนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เป็นกิโลไม่เป็นก้อนไม่เป็นเมล็ดอย่างน้ําตาลในที่ทั่วไปแต่ท่านก็รู้ว่าสิ่งนั้นรสของรสนั้นคือรสของน้ําตาล จะแสดงว่ารูปแบบของน้ําตาลขนาดลักษณะของน้ําตาลนั้นจะเป็นอย่างไงไม่สำคัญแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสภาวะและหวานก็จะหวานปนอยู่ในส่วนใดก็รู้ว่าความหวานนั้นคือน้ําตาลความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมะ ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยข้อโดยองค์ธรรมโดยชื่อที่เรียกกันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็อาจจะเรียกยังไงก็ได้เช่นว่ารูป บางครั้งก็อาจจะเรียกว่ากายบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าขันบางครั้งอาจจะเรียกว่าธาตุบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าอาจัตนะก็แล้วแต่จะเรียกเรียกภูเขาต้นไม้เรียกคนเรื่องสัตว์เรียกนาย ก, นกรนายขอก็ได้แต่นั้นคือสภาวะของรูปซึ่งมีลักษณะร่วมคือจะมีความเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ่งเหล่านั้น ในการใช้ชื่อที่หลากหลายออกไปมากมายแก่กองนี้แม้ต้องระดับนิพานเองนิพานนั้นมีชื่อเรียกใช้แทนกันได้ถึง4ี่กว่าชื่อเดียกันโดยพยัญชนะก็ไม่ตรงกันแต่โดยเนื้อหาแล้วตรงกันข้อนี้ก็ทำนองเดียวกับการสักการะ บ, บูชาปรรัดใจของบุคคลทั้งหลายคือครจะทำอย่างไรด้ดยพิธีในดะใช้ดอกไม้ทุกเทียนหรือไม่หรือใช้ดอกไม้อะไรทุกเทียนอะไรก็ตาม โดยรูปแบบแล้วไม่เหมือนกันแต่โดยเนื้อหาแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นได้สำแดงออกซึ่งความเคารพนับถือในพระราชนัชนีแต่ส่วนจะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานตั้งใจของแต่ละบุคคลแต่โดยวัตถุประสงค์โดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าความเข้าใจในธรรมะดั้น ดังนั้นจะพบว่าระดับของความเข้าใจที่เรียนเป็นความเข้าใจแล้วท่านก็เรียนหม่มท่านก็บอกว่ารูปนําแจะเป็นการสรุปธรรมะทั้งหมดไว้ที่รูปกับนาแต่คนเข้าใจมองจากรูปนั้นได้กระจายรูปออกไปเป็นหลายๆายรูปอดีตอนาคตหยาบละเอียดใกล้ไกลเลวปนี้เป็นต้นท่านนี้ก็โดยอาศัยสุตตะอาการต่อไปก็คือทัพกิจาคะที่จะก่อให้เกิดเป็นความบ้านคงขึ้น จากข่านั้นมีอยู่หลายระดับระดับ ท, ทั่วไปก็คือการมีไมตรีจิตต่อการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเรี่องการสละแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้โดยจิตคิดอนุนเคราะห์หรือโดยการเสริมสร้างมิตรไมตรีก็ตามในชั้นหนึ่งนั้นเป็นการสละอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นตัดรอนบนอนัณฑ์ทรปุสนเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจ และระดับสุดท้ายก็คือการละกิเลสจาครบางระดับจึงเป็นชื่อแทนนิพพานได้หมายถึงการสละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดอเรศทรัพย์จึงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นจะเดินไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนพยายามที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ตรงไปเพื่อเพิ่มปูนธรรมะส่วนนี้ขึ้น ในประการสุดท้ายก็คือต้องมีปัญญาพยานที่บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนาเรื่องสติกับปัญญานั้นต้องมีอยู่เรื่อยไปในที่ใดมีศรัทธาในที่นั้นต้องมีปัญญาในที่ใดมีปัญญาในที่นั้นต้องมีสติในที่ใดมีสติในที่นั้นต้องมีปัญญาในกรณีที่องค์ธรรมะเพียงองค์เดียวจะมีปัญญาในเชิงปฏิบัติก็ต้องมีสติด้วย แต่นั้นจะเห็นว่าอริยสัพจเจประการไม่มีสติแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วต้องมีสติลักษณะของธรรมแล้วหีริกับสติมีอาการคล้ายกันแต่สติกับประมาทคือความไม่ประมาทเป็นองค์ธรรมเดียวกันซึ่งเมื่อองค์หนึ่งปรากฏองค์หนึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องปรากฏเพราะโดยสภาวะแล้วเป็นอย่างเดียวกันปัญญาคือความรอบรู้นั้นตั้งแต่รอบรู้จําแนแกแยกแยะอะไรเป็นอะไร อะไรดีอะไรไม่ดีจนสามารถมองสิ่งทั้งหลายเข้าถึงความจริงในแง่ที่สิ่งเหล่านั้นเกาะกลุ่มกันอยู่และเข้าถึงความจริงในลักษณะที่สิ่งนั้นแยกกันอยู่คือมองได้ทั้งส่วนแยกและส่วนรวมมองตึกเป็นตึกได้มองตึกเป็นไม่มีตึกเกรือก็ได้ยึดขึ้นอยู่กับพื้นฐานปัญญาคราวนี้จะเห็นได้ว่าตึกหลังนี้เมื่อก่อนก็ไม่มี แต่ประการเกาะกรุงมทั้งสิ่งทั้งหลายแต่ความคิดการกระทำความเพียรพยายามของมนุษย์ก็มีขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแกจะเข้าไปสู่ความไม่มีอีกมาเหตุปัจจัยของความเป็นตึกแตกสลายไปโลกทั้งโลกชีวิตทั้งชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นท่านผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพทั้งเจประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มั่งคั่ง เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่แท้จริงและเป็นทรัพยาธารณะที่เปิดโอกาสกว้างให้บุคคลผู้มีกุศลและเจตนาภายในใจในะนำนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นอริยทรัพย์เวราะนาความปลื้มใจมาให้จริงๆเป็นพระอริยทรัพย์เพราะนาติดตัวไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีอันต ร, รายและป้องกันภัยอันต ร, รายด้วยเป็นอันต ร, รับ เป็นอริยสัพย์เพราะวาจนเขาหมวยไม่ได้เป็นอริยสัพย์เพราะว่าจะนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามสมกุลแก่ธรรมะที่มีอยู่เป็นอริยพพรัพย์เพะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดคือเข้าถึงโลกุตระสัพท่านเป็นเช่นนี้ก็กลายเป็นสักกะอีกระดับหนึ่งคือเป็นผู้องค์อาจกระหาน เพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้หวาดกลัวไม่มีอยู่ภายในใจก็เนี่ยลองสังเกตว่าเจ้าคนเกิดกลัวโจรจะปร่นคนหนึ่งไม่มีทรัพย์เลยจะไม่กลัวโจรเพรา ะ, ะไรเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เป็นเหตุให้หวาดกลัวสมมติโจรมาจริงเราก็มีอะไรจึงไม่ต้องหวาดกลัวนตรายเหล่านั้นความหวาดกลัวจึงเกิดจากจิตที่เหนียวนึกผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นกลัวผีหรือกลัวอะไรก็ตามแต่ถ้าเข้าถึงความจริงของชีวิตไม่มีอะไรมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาแล้วความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าถึงความจริงในส่วนนี้จึงได้ชีวสักกะปฏิปทาอันเป็นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงเป็นธรรมะที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีศรัทธาเริ่มสายในพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางฐานนี้ โดยการประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนอ ร, ริยทราบให้กงเกิดขึ้นและจะกลายเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ขันคลำขำเกร่งอะไรที่ใจผู้เป็นเจต น, นี้ก็จะมีความรู้ความเบิกบานแช่มชื่นตามสมควรแก่กับการประพตปฏิบัติตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืขต่อไป